เราเข้ามาอีกน่อยนึงก็ได้นี่ยถึงก็เสียงมันกลางวานขึ้นอยู่ก็แล้วกันถ้าเทปเสียงไปดังขึ้นอยู่แล้วมันไม่สนิทการเทศมันมีแต่เสียงมันพอไอเทพนี่เป็นเทพขนาดไหน่ะแไอเทศยังไม่จบแล้วก็มาเทพหมดหม้วนหมดม้วนนี่แสดงว่าหัวใจนี่มันกุดด้วนมากนะมันไม่คิด ถึงไหนมันถึงที่เพรแม่มันหมดหรือว่างนะตุ่ม15นาทีคกำลัง15นาทีคือกระเริดสำคัญนี่มีพระเท่าไหร่เนินเท่าไหร่ฮะ พระสี่สิบสี่เนเ 4, 4, เนสอ ง, 44, สองใช่ไหมเป็นห 4, 4, กส<ะ>ี่จุดหกอ๋อฮะมาอยู่ที่นี่เดี๋ยวเนี่ยอื้งานถึงเห็นมากมายอันลง ก, กับมามเห็นอยู่สวนยังทำ ในี่ใครก็ทราบแล้วเรื่องการเข้าพรรษากำหนดเขตก็คือกำแพงสำหรับวัดนี้วัดไหนก็เช่นอย่างวัดใหม่ก็กำแพงป็นสำคัญก็รู้กันทุ ก, กองค์ทุกองค์งแล้วจึงไม่จำเป็นต้องอธิบายให้ฟังมากมายในพรรษานี้ไม่ต้องเที่ยวไปที่ไหนจิจการงาน ที่มาเกี่ยวข้องก็รู้สึกจะน้อยกว่าเวลาธรรมดาให้มู่เพื่อนตั้งอกตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัตินะดูโลกเกิดกับโลกกองทุกนี้เกิดมานานแล้วนะกีกับกีกันในใจดวงหนั่งใจของเราทุกคนนี้คือนักท่องเที่ยว เกิดตายไม่มีวันหยุดวันหย่อนไม่มีต้นมีปลายกิเลสวางสายยาวเหยียดตลอดเวลาให้สัตว์โลกพาเกิดพาตายนี่เวลานี้เรากำลังจะตัดถอนวัตถวนความพาเกิดพาตายจากกิเลสเราจะตัดกิเลสตัวเป็นสาเหตุให้พาเกิดพาตายนี่แะ ให้ลดลงเป็นลำดับลำดาวิเลศทุกประเภทเป็นตัวให้พาเกิดพาตายทั้งนั้นให้สัตว์โลกมืดบอดมาตลอดสิ่งใดจะมีอยู่เต็มต้องฟ้ามหาสมุทรทั่วแดนโลกกระถามันก็ปิดไว้เสียหมดแล้วจัดสัตว์ทั้งหลายาหัวชน ไปแบบไม่ลืมหูลืมตาจึงโดนตั้งแต่กองทุกกองทุกมันไม่ให้มองเห็นสิ่งที่เป็นโทษเป็นกรรมมีแต่ความอยากความทะเยอทยานความดีความดิ้ดดนออกจากภายในใจซึ่งเป็นตัวทะเยอทยานตัวดีตัวดิ้ดนผลักดันออกมาไม่มีวันอิ่มพอหมุนออกมาตลอด สัตว์โลกจึงไม่มีวันอิ่มพอในความอยากความทะยอยทยานความทุกข์ก็ติดตามไปตามความอยากคือกิเลสเป็นตัวเหตุสร้างกองทุกข์แต่สัตว์มันหมุนเพราะมันไปอย่างนั้นสัตว์ทั้งหลายเกิดตายเกิดตายอยู่อย่างนี้ตลอดมานะนี่ก็ได้ พยายามปฏิบัติมาที่มาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนหมู่สอนเพื่อนตลอดถึงสอนโลกทั่วๆไปแต่เพราะอย่างยิ่งในเมืองไทยเราเรียกว่าสอนทั่วประเทศไทยเลยนี่ในเบื้องตน้นเราก็ไม่เคยสนใจว่าจะได้ทำหน้าที่อย่างนี้ มาจนถึงขนาดนี้นะมีความมุ่งมั่นต่อแดนพ้นถุกโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเพราะนิสัยฝังมาเป็นประจำตั้งแต่เริ่มบวชเลยอ่านประวัติพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายตลอดถึงบาบุญนกรกสวรรค์นิพพานเกิดความเชื่อความโ่มใสซึ่งภายในใจ จนกระทั่งถึงหมูนออกไปเพื่อความพ้นทุกข์ได้ยินได้ฟังอัตธรรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นแล้วยิ่งถึงใจเ ร, เรียกว่าเต็มร้อยเปอร์เซนต์จิตใจที่มุ่งต่อแดนพ้นทุกข์ก็ได้ปฏิบัติตนเต็มกำลังความสามารถผู้ถึงเรื่องความภาคเพียร น, นี้ พูดให้ใครฟังจะคนไม่อาจจะเชื่อได้ในความเพียรของเราเพราะเราเป็นอย่างนั้นจริงๆทำอย่างนั้นจริงๆไม่เคยได้รับความสุขความสบายเลยตั้งแต่วันออกประกอบความาพ่อเพียรจากการได้ยินได้ฟังอัตธรรมอย่างถึงใจของพ่อแม่กุศ์มั่นแล้วเอาเต็มเม็ดเต็มหน่วย การปฏิบัติเริ่มต้นตั้งแต่กิตเป็นสมาธิขึ้นมาการตะเกียกตะกายที่จะทำกิจให้เป็นสมาธินี่แทบล้มแทบตายเป็นความทรมานมากที่สุดในการตั้งรากตั้งฐานเมืองตนตะเกียกตะกายมีอันหนึ่งที่เป็นเชื้อสาคัญ ไม่ท้อถอยน้อยใจก็คือความมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกขนี้รุนแรงมากทีเดียวคือขอให้พ้นทุกข์ในชาตินี้ไม่ต้องการจะมาเกิดมาตายอีกแล้วทั้งทั้งที่กิเลสนันมีเต็มหัวใจจิตใจก็ล้มลุกคลุกครานแต่ความมุ่งมั่นความปรารถนานี้รุนแรงมากมาตลอด นี่ละพาฉุดพาลากความภาคเพียรทั้งหลายจะรับความทุกข์ความลำบากขนาดไหนก็มีแต่บึกบืนให้พ้นให้พ้นความทุกข์ทั้งหลายจริงไม่เป็นอุปสรรคได้นะจากการประกอบความภาคเพียรมีแต่ความบึกบืนบึกบืนตลอด ไ, ได้ปฏิบัติเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนกระทั่งจิตตั้งรากตั้งฐานเป็นสมาธิขึ้นมาได้ เป็นที่อบอุ่นภายในตัวเองความภาคเพี่ยนก็หมุนไปเรื่อยๆแต่ความภาคเพียนในขั้นสมาธินี้รู้สึกจะเป็นความตายใจโดยไม่รู้ตัวเพราะมันมีเรือนอยู่มีธรรมคือความสงบเปลี่ยนใจเป็นเครื่องอยู่มันก็หมุนอยู่กับความสงบเปลี่ยนใจทำสมาธิให้แน่นหนามั่นคงขึ้นไปขึ้นไป ทั้งทั้งที่มันแน่นหนามันคงแล้วมันก็เหมือนน้ำเต็มแก้วมันก็เพลินอยู่ในน้ำเต็มแก้วนั่นคือสมาธิเต็มภูมิจน ถ, ถึงขนาดที่คิดว่าจิตในภูมิสมาธิที่เป็นอยู่ในเวลานั้นแหละจะเป็นนิพพานจะเป็นนิพพานอันั้นจึงได้เพลินอยู่ในสมาธิรอพ่อแม่ครูอาจารย์ <c oughs> มาฉุดลากขึ้นจากสมาธิแล้วก็ก้าวเดินทางด้านปัญญานี่ละตอนปัญญาออกนี่ผิดคาดผิดหมายผิดความด้นเตาคเนยใดๆทั้งนั้นเพราะเกิดขึ้นจากหลักปัจจุบันของปัญญาล้นล้วนนี่ละจิต ถึงขั้นเป็นธรรมโดยลำดับแล้วจะแสดงความเป็นธรรมให้เด่นชัดภายในตัวถึงขั้นปัญญาจะแสดงตั้งแต่ความเฉลียวฉลาดเพื่อแก้กิเลสเป็นลำดับลำดาไม่ได้หยุดได้ถอยไม่คาดไม่คิดเรื่องปัญญาที่จะเกิดขึ้นแบบใดแงใดนั้นเป็นขึ้นในหลักธรรมชาติเป็นขึ้นในหลักธรรมชาติโดยอัตโนมัติ เรียกว่าสติปัญญาทาหน้าที่โดยอัตโนมัติหักหรือลบล้างกิเลสที่มันเคยสร้างตัวเป็นวัตถุบนในหัวใจสัตว์เป็นอัตโนมัติเหมือนกันเมื่อถึงขั้นสติปัญญาออกเป็นอัตโนมัติแล้วไม่ได้ผิดกันเลยกับกิเลสทาหน้าที่บนหัวใจสัตว์โดยอัตโนมัติของมัน สติปัญญาเกิดแล้ว ห, กกหกกักกันหักกันพลิกกับพิกกับวิเลดมาดเข้าพอสติปัญญามีกำลังมากแล้วหมุนกับหมุนกับนี่เป็นอัตโนมัติอัตโนมัติความรู้ความฉ ล, ลาดที่เกิดขึ้นภายในจิตใจนี้คาดไม่ได้นะผมพูดตามนิสัยของผมเองนะอันนี้มันอาจจะขึ้นอยู่ตามนิสัยวาสนาก็าได้ แต่สําหรับนิสัยวาสนาหรือการบําเพ็ญของเรานี่ปัญญานี้เลยคาดเลยคิดความหมุนของปัญญาคาดชิดไม่ได้เอ็นขึ้นตลอดเวลาหมุนติ้วต้วออกทุกแง่ทุกมุมเรียกว่าออกรอบตัวเลยในกิจ ด, ดวงนี้นะทั้งๆที่กิเลสก็ยังมีอยู่ออกรอบตัวหมุนรอบตัวคากิเลสรอบตัว เป็นลาดับลาดาไปเลยนี่เรียกว่าสติปัญญาขั้นอัตโนมัติเป็นตัวของตัวขึ้นมาแล้วในขั้นนี้โดยไม่อาจสงสัยเลยไอเรื่องมรรคผลนิพพานไม่ได้สงสัยแล้วเพราะหนึ่งว่าเอื้อมอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมเพราะฉะนั้นความภาคเพียนในสติปัญญาประเภทนี้จึงไม่มีวันมีคืน ยืนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับเท่านั้นจะทำหน้าที่ของสติปัญญาเพื่อสังหารกิเลสไปโดยลำดับลำดาตลอดเวลาตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มตื่นนอนจนกระทั่งหลับหลับก็ยังไม่อยากหลับไม่หลับบางคืนตลอดรุ่งเลยก็มีนี่คือสติปัญญาทำงานหมุนเป็นธรรมจักรตลอดเลย ถ้าผู้เป็นแบบเดียวกันแล้วก็เข้าใจทันทีถ้าไม่เป็นด้นเดายังไงก็ไม่ถูกทั้งนั้นแหละ่ากผู้มีนิสัยมารสนาเกี่ยวโยงกันมันเป็นคล้ายขคียงกันนี้ราเข้าใจกันได้ทันทีในสติปัญญาขั้นนี้สาหรับผมเองเป็นอย่างนั้นแหละมันหมุนรอบตัวรอบตัวรอบตัวตลอดเวลาถึงเวลาจะหลับจะนอนนอนไม่หลับ สติปัญญาทำงานตลอดเวลาด้วยความหมุนเพื่อความพ้นทุกข์หมุนตลอดเวล า, าเพลินแก้กิเลสฆ่ากิเลสเหมือนเลวัาตลุมบอนกันตลอดเวลาเลยถ้าเป็นมวยก็เข้าวงในตลอดจนอทั่งนอนไม่หลับกลางคืนนอนไม่หลับคือนอนจะให้นอนอเพื่อจะหลับ แต่จิตมันไม่ได้ถอยงานสติปัญญาไม่ทางานตลอดเวลาเหนื่อยจากนอนขึ้นมานั่งนั่งก็นั่งภาวนานอนก็นอนภาวนาลงไปเดินจงกรมก็มีแต่เรื่องภาวนาสุดท้ายก็แจ้งไม่หลับเลยเอา้าวกลางวันยังจะไม่นอนอีกยังหมุนตลอดเวลาจน เหนเหื่อยเมื่อล้าสังขารร่างกายอ่อนเพียในหมักหัวใจภายในนี่ก็อ่อนเมื่อมันไปไม่ไหวแลยจริงๆแล้วมันจะให้ตายจริงๆความเพียร น, นี้ไม่รู้จักเป็นจักตายต้องได้ยับยั้งเข้าสู่สมาธิหักเข้ามาบัางคับเข้ามาสมาธิก็เต็มกล้าเต็มภูมิทีเดียวเรียกว่าน้ำเต็มแก้วแต่โมลาปัญญาออก ก้าเดินแล้วปัญญามีน้ำหนักมากกว่ามีอุภาพมากกว่าเกินกว่าที่จะมาสนใจกับสมาธินั่นประหนึ่งว่าสมาธินี้ไม่มีเลยมีแต่ปัญญาร้วนๆหากกิดเข้ามาสู่สมาธิไม่ยอมเข้านะเพื่นในการในทางปัญญาต้องได้เอาอย่างหนักแน่นถึงขนาดที่ว่าได้นำคำบรีกรรมมากํากับ เช่นสำหรับผมเองนิสัยติดพุโทโธมาตลอดต้องเอาพุโทโธเข้ามาบริกรรมคือให้สติที่มันหมุนตัวเป็นเตียวกับอด้วยปัญญาฆ่ากิเลสนั้นให้เป็นสติดูในคำบริกรรมไม่ให้ไปมินิชชไขครวนทางด้านปัญญามาจิตไว้กับพุโทโธพุธโทโธมาจิตนี่ก็ต้องบีบบังคับนะ ถ้ารามือ่อเรื่องเผลอนั่นมันพูดไม่ได้หละมันไม่เผล่นี่นเพียงแต่ว่าถ้ารา ม, มือนิดหน่อยมันจะโดดออกทางด้านปัญญาเลยจึงต้องบังคับด้วยคําบริกรรมพุดโธพุดโธ ท, ทียิบไม่ให้เคลื่อนค้าไปไหนสติจ่ออยู่ตรงนี้ไม่ให้ไปจ่อทางด้านปัญญาหมุนจากปัญญาเข้ามาสู่คําบริกรรมเป็นสติอยู่คําบริกรรม หิยิบลงไปเมื่อไม่ยอมให้มันออกแล้วมันก็สงบสงบจากการพิจารณาทางด้านปัญญาหมุนเข้ามาสงบแน่วเลยโอ้โทีนี่เหมือนสอดเสี้ยนถอดน้ํามนะพอจิตเข้าสู่สมาธิแน่นปึงทันทีแหละอันนี่เมื่อมันเข้าถึงที่แล้วเอมันเหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ําความสุขความสบายเบ้าไปหมด ร่างกายจิตใจเบาแไมตามกันหมดบังคับไวน้นานั้นจิตที่ลงสู่สมาธิแล้วยังต้องบังคับถ้ารามือไม่ได้ดิดออกหาปัญญาเพราะปัญญามีกำลังรุนแรงมากทีเดียวต้องบังคับไว้จนกว่าเห็นสมควรแก่เวล่ำเวลาและกำลังวางชาว่ามี ความสงบเย็นใจมีกําลังวังชาทางด้านจิตใจแล้วก็ปล่อยพอปล่อยก็ดีดเพ่งอะไรละเพราะมันจะออกอยู่แล้วนี่แหละถึงขั้นได้ล้างล้างอย่างนั้นล้างเข้าสู่สมาธิปัญญานี่หมุนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงไปกับใครอยู่กับใครไม่ได้เลยต้องอยู่คนเดียวไปคนเดียวในยาบททั้งสี่ไม่ปรากฏเลยว่าได้เผยขณะไหน นี่เรียกว่าสติปัญญาตโนมัติและย้ยดเข้าไปก็เป็นมหาสติมหาปัญญาเป็นสติปัญญาในหลักธรรมชาติอยู่ตลอดเวลาเวลาเรื่องกิเลสตั้งจกกิเลสที่หยาบแต่เพราะอย่างยิ่งคือการ ม, มากิเลสปัญญาต้องผ่านโผลนโจรทยานมากทีเดียวกับกิเลสประเภทนี้ มันเป็นเองฉหรัะผู้ปฏิบัติประหนึ่งว่าน้ำนี่ไหลโจรลงจากภูเขาเสียงดังซ้าซาาซาเลยนี่แหละสติปัญญาขั้นนี้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องราคะนัานะพอสภาพนี้ผ่านไปได้แล้ว <c oughs> หมดไปได้แล้วปัญญาขั้นกลางละที่นี่ไม่ผาดโผล เหมือนขั้นปัญญาเกี่ยวกับเรื่องราคาตัณหานั่นหละจากนั้นเป็นสติปัญญาอัตโนมัติที่หมุนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยแล้วเรื่องของจิเลศก็อ่อนลงไปอ่อนลงไปเมื่อราคาตัณหามันสิ้นไปจากใจสิ้นได้ระดับนะเพราะฉะนั้น ผ, ผู้สำเร็จเป็นเป็นพระนาคามีจึงจึงมีสถานที่รับรองต่างกันได้ระดับก็อวิหาเนี่ยอัตปาสุรัสสาสุาส ร, รัสสีอกรารนิฐานี่เป็นที่อยู่ของพระนาคาทั้งนั้นได้ระดับแรกก็หากตายก็ เ, เข้าสุบุตร อะไรตะกี้เนี่ ย, ยงั้นน่ะพูดแล้วมันก็ลืมแล้วมันก็ค่อยเลื่อนตัวไปเองเป็นลำดับลำดาเนี่ยค่าว่าสอบก็เรียกว่าสอบได้ในขั้นอะไรขั้นลืมแล้วตะกี้นี่ชื่อว่าไงอนาคามีห้าชั้น สุทวาห้าชั้นอวิหานี่ระดับนี้เป็นระดับที่ว่าสอบถ้าเป็นสอบก็สอบได้จากนั้นก็ค่อยเลื่อนระดับไปละลอียัดไปละลอียัดไปขึ้นไปนี่แหละไม่ใช่ว่าได้แล้วขาดหมดจริงๆนะได้ส่วนส่วนตัวํำคัญขาดไปแล้วหิงก้านสาขาของมันยังมี มันก็ตัดเข้าไปตัดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนกระทั่งถึงขั้นอากาิาิถาเต็มภูมิอาการิถาแล้วก็นิพานให้มันเห็นประจักษ์อย่างนั้นที่การปฏิบัตินี่ไม่ถามใครนะมันหากเป็นหากรู้ภายในใจตัวเองที่ทรงส อ, งสอนมาแล้วอย่างไรไม่มีเคลื่อนคลาดนะมันเคลื่อนคลาดมันถูถ่ายืงกับพวกเราที ที่ไม่รู้ไม่เห็นตรงกระทั่งที่ว่าเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างและไม่เชื่อน่นะเพราะความมืดบอดของที่ใดในกิตเวลามันเข้าถึงขั้นที่มันควรจะรู้แล้วทําเหล่านี้ปิดไม่อยู่เลยประจักษ์กับใจประจักษ์กับใจตลอดตลอดตลอดพอถึงขั้นกนิถาพ้นจากนั้นแล้วก็ดิบผงเลยเหนะ็นว่านิพพานคือสิ้นแล้วเรื่องสมมติโดยประการทั้งปวง วิชาขั้นสุดยอดของวิชาก็ไปสุดยอดที่ตรงออคติฐานะเต็มยอดตรงนั้นแต่นั้นกเ็เรียกว่ า, าวิชาดับก็เป็นนิพพานขึ้นมานี่การปฏิบัติมันเห็นได้อยา่างชัดเจนอย่างนั้นเอง <c oughs> นี่การปฏิบัติของเราเป็นอย่างนั้นที่พูดนี่พูดเอาย่อๆนะเอ เราพูดสรุปความเรามาย่อๆในภาคปฏิบัติที่ประจักษ์กับใจไม่ได้ถามใครรู้ที่ตรงไหนแม่นยำแม่นยำหายสงสัยเรียกว่าสันทิฏฐิโกติดแนบติดแนบไปเลยทุกขั้นทุกภูมิของธรรมจนกระทั่งถึงขั้นที่ว่าขาดสว่านไปหนดบนรรดาสมมุิอวิชาปัจิยาขาด ต, ต่อหน้า ต, ต่อตาประจักษ์ในหัวใจ ยังได้พูดในเวลาเทศเป็นบางเป็นบางกันเป็นบางเวลาเพ <c oughs> ราะหนึ่งว่าฟ้าดินถลม่มระหว่างอวิชชากับจิตขาดจะบ้านจากกันลงไปนั้นเหมือนฟ้าดินถล่มเลยร่างกานี้ไหวปั่งเลยทันทีรุนแรงขนาดนั้นเหมือนฟ้าดินถล่มทีเดียวนี่แหละมันรุนแรง พร้อมกับอุทานที่ขึ้นมาในขณะนั้นทันทีขึ้นมาขึ้นมาอุทานขึ้นมาด้วยความอัศจรรย์ที่ได้รู้ได้เห็นธรรมประเภทที่ไม่เคยคาดเคยคิดนะอันนี้ขั้นการมราคะสิ้นไปถึงขั้นควรกันกับขั้นอกนิษฐานนี่จะไปคาดนิพานไม่ได้น ะ, ะเพราะนี่เป็นขั้นกิเลสอยู่ พอกิเลสเหล่านี้ขาดจะบั้นลงไปหมดแล้วไม่ต้องขาดก็ประจักษ์กับตัวเองโดยสิ้นเชิงไม่ต้องถามหานิพานไม่ต้องทูลถามพระพุทธเจ้าให้พระองค์ทรงตำหนิติเตียนอย่างแรงว่าสารทิิโกเราตาตาคตประกาศให้แล้วเอาไปทิ้งลงทะเลทวีปไหนนั่น นี่ละประกาศขึ้นโดยสันทิธิโกจึงไม่มีใครถามใครเมื่อถึงขั้นที่สุดฉีจุดแดนแล้วสันทิธิโกขั้นสุดท้ายก็ประกาศขึ้นพร้อมกันเลย <c oughs> นี่แหละทีว่ามันเป็นเรื่องแดนอัศ จ, จรรย์ที่สำหรับเป็นในขีดั้งผมเองนี่เป็นอย่างสะเทือนสะทานมาหนึ่งว่าโลกกระทาดกระเือนไปหมด เราก็ไม่อยากจะพูดเรื่องเทวบุตรเทวดาใครว่าเทวดาไม่มีเทวบุตรไม่มีพวกตาบอดนี่ว่างั้นเลยมันจ้าขึ้นพร้อมกันไปหมดดังที่ผู้เจ้าทรงสแสดงไว้ใ น, ในธรรมจักรกับรวรรณะสูตรอญันจักรหัสสาสีโลกธาตุสร้างกำปีสัปรรมปะกำปีสัมปเวทีนั้นนั่นแหละเป็นเครื่องยืนยันกันได้เลยกับหัวใจดวงที่เป็นอย่างนั้นนะ ไม่มีอะไรไม่ได้วัดรอยหากเป็นธรรมชาติอันเดียวกันเลยถึงธรรมชาตินี้แล้วไม่มีใครสูงใครต่ำนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกองค์สุดท้ายเป็นธรรมชาติอันเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมชาตินี้ จ, งจึงกลมกลืนเป็นอันเดียวกันได้ดังที่เป็นในคื น, ว, นวันที่เป็นอยู่ร้องวัดรอยธรรมเจดี เราไม่เคยคาดเคยคิดนะเรื่องพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ติดหัวใจมาตลอดจนกระทั่งถึงขณะนั้นนะพุทโธเป็นพุทโธธรรมโมเป็นธรรมโมสังโฆเป็นสังโฆเป็นสามภารตนาใจอยู่อย่างนั้นนะแต่พอจิตได้ขาดสะบ้านจากสมมุติโดยประการทั้งปวงแล้วแป็นอันเดียวกันกับพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลาย ว่าพุทธก็ดีธรรมก็ดีสงฆ์ก็ดีนั่นมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างไงนั่นแหลเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าไม่นัตติเซโยปาปโยเมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มสัดเต็มส่วนแล้วนั้นไม่มีใครยิ่งใครย่อน <c oughs> ต่างกันเลยเหมือนกันหมดนี่แหละจรงว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอันเดียวอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นหมายถึงว่าเป็นธรรมธาตุแล้วนั่น นี่แหละธรรมธาตุรวมทั้งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นอันลงเป็นธรรมชาติเดียวกันนี้เรียกชื่ออห น, นึ่งว่าเป็นเป็นธรรมธาตุหรือว่าถึงนิพพานแล้วก็เป็นไวยโพธิใช้แทนกันได้นะถ้าว่าเป็นธรรมธาตุนี่สนิทใจมากในสมมุติคํานี้นะรวมทั้งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ลงในอันเดียวนี่แหละที่ว่า เออพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงแล้วเคยคิดที่ไหนแต่ก่อนเพราะว่าพุทธโธธรโมสังโฆพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตลอดมาจนฝังใจไม่เคยคิดเคยอ่านเลยนะในเวลาชัดเทือนขึ้นในคืนวันนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นขึ้นมาจริงๆถึงในอุทานขึ้นมาโอ้โหพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงนี่คือเป็นแเดวนั่น นั่นละ่ะเราไม่ได้ถามใครเธอเข้าไปอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นก็จะให้พูดว่าอย่างไงอ๋อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างไรเป็นอย่างนี้เอง <c oughs> <c oughs> เรียกว่าธรรมธาตุนั่นนี่ละ่ะมันเมื่อเป็นขึ้นแล้วไม่ต้องถามใครไปรจับในหัวใจจะเทือนสะท้านเทวดาอุญปมพระสานเสียงถึงกันหมดเล เป็นยังไงเทวดาอิมพมมีหรือไม่มีพวกตาบอดมันลบล้างาศาสนาเวลานี้ว่าเทวดาไม่มีไม่มีมันตาบอดยิ่งประกาศความเร็วของตัวเองให้แจ้งขึ้นมาด้วยความเร็วของมันพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกผู้มีความเชี่ยวชาญเฉลียวฉลาด ท่านทรงรู้ทรงเห็นท่านเป็นมาอย่างเดียวเห็นอย่างเดียวกันตาทของท่านเห็นอย่างเดียวกันไม่เหมือนคนตาบอดอวดรู้อวดฉลาดลบล้างคําสอนของพระพุทธเจ้าว่วาเทบุตรเทวดาไม่หม่ีนี่ยพวกนี้พวกทําลายศาสนาไม่มีชิ้นดีเลยนี่คือพวกทําลายศาสนาโดยแท้ใครเป็นคนสอนไว้เทบุตรเทวดาอิ่นผมทั้งหลาย ยกตัวอย่างเป็นเอกเทศที่อย่างเด่นชัดก็คือที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงในมหาสมัยยูตรนั้นเป็นอย่างไรพระองค์ทรงรับสั่งนั่นกับสาวกทั้งหลายบรรดาสาวกคราวนั้นมาไปมีห้าร้อยโอคอยู่ในป่ามหาวัน <c oughs> ทรงรับสั่งว่าวันนี้ให้ พาการภาวนาดูควกเทวดาทั้งหลายประเภทต่างๆพวกนาคพวกครุฑสุบันประเภทต่างๆมันต้งแต่เท้าหมาปุ่มลงมาเทวดาในแดนสมมุนีเอาให้พากันพิจารณาใครจะรู้เห็นมากน้อยเพียงไรกว้างแคบขนาดไหนแล้วค่อยมาพูดกันพระองค์ก็จะทรงพิจารณาจะ เทศนาว่าการสอนพวกโถยเทพบทั้งหลายเช่นเดียวกันนั่นหลังจากนั้นแล้วบรรดาสาวกทั้งหลายก็มาทูลพระพูติเจา้าองค์นั้นเห็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นจำนวนเท่านั้นจำนวนเท่านี้ตามกำลังความสามารถของแต่ละท่านละท่านเวลา พระพุทธเจ้าทรงแสดงสรุปแล้วพระพุทธเจ้าทรงทรงรู้ทรงเห็นจนกระทั่งถึงโคถึงแซ่นูหนานะฟังที่ชื่อว่ายังไงยังไงออกหมดในมหาสมัยสูตรนั่นพิจารณาเนี่ยนี่ละสูตรนี้เป็นสูตรที่ใหญ่โตมากเดี๋ยวก็พวกเทพทั้งหลายในมหาสมัยสูตรแล้วมาปฏิเสธอย่างหน้าด้าน เพราะว่าเทวดาไม่มีนี่คือพวกทาลายศาสนาอย่างแหลกเกลียวไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยพวกที่ปฏิเสธเทบุเทเวดาไม่มีก็อยู่ในคำสอนของพระพุทธเจา้าอยู่ในวงศาสนาที่พระพุทธเจา้าทรงสอนเช่นเดียวกันกันกบสอนมนุษย์นี่อย่างที่ท่านแสดงเป็นพุทธกิจธานะก็เห็นอยู่แล้วนั่นเทศสอนประชาชนตอน บ่ายตอนตอนเย็นตอนค่ำก็เทศสรพระตอนหกทุ่มก็แก้ปัญหาและเทศนาอุรมเทวดาทั้งหลายนี่ตอนอปัจฉิมยามก็เลียงญานดูสัตว์ตวโลกสุดท้ายก็เสด็จออกบินถวายนี่พุทธกิจห้าคืองานของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเทวดาลบได้ไหมละนั้นอัตราเตเทวปัญหากังนั่น ตั้งแต่หกทุ่มล่วงไปแล้วแก้ปัญหาเท อ, อุโรมเทพวกเทบุตรเทวดาตั้งแต่ท้าหมาพมลงมานี่ก็อยู่ในหลักของพุทธศาสนาเราเหตุใดจึงหน้าด้านมาลบล้างว่าเทวดาไม่มีไม่มีเนี่ยอ้ออวดความเลวของตัวผู้ท่านรู้ท่านเห็นเห็นอยู่เช่นคนตาดี ไอ้คนตาบอดมาพูดโอ้อวดให้คนตาดีฟังมันมันฟังได้ไหมล่ะแอบฟังพิจารณาสิพูดท่านรู้ท่านเห็นท่านรู้อยู่เห็นอยู่ประจักษ์ไอเราไม่รู้ไม่เห็นก็บอกไม่รู้ไม่เห็นเพราะว่าตาบอดก็ว่าตาบอดเสียก็เป็นที่น่าให้อภัยสำหรับคนตาบอดแต่ส่วนมากคนตาบอดชอบโม้ชอบคุยอวดดีอวด ด, ว ด, ดีทุกอย่างอยู่กับคนตาบอดทั้งหมด คนที่ใจบอดใจหนาใจแน่นมันก็แบบเดียวกันชอบโม่ชอบปุยชอบโอ้ชอบอวดชอบโลบล้างความจริงทั้งหลายให้เป็นของจอมปลอมไปโดยถือว่าเป็นความจริงสําหรับคนโง่คนนั้นนี่แหละเราพูดถึงเรื่องอเทวุรเทวดาสิ่งเหล่านี้ไม่พูดผมเองผมไม่พูดนะเพราะไม่ใช่วิสัยที่จะนำมาพูดเรื่องของสิ่งเหล่านี้ เป็นอริยสัตว์ต่างหากที่จะนำมาสั่งสอนอสัตว์โลกตลอดพระผู้ตั้งใจกอบพืชปฏิบัติอันนั่นเป็นสิ่งปกีดยย่อที่เกิดขึ้นตามนิสัยวั ส, สนาควรไปเป็นประโยชน์แก่พวกเหล่านั้นยังไงก็ต้อนรับกันเองสแสดงกันเองไม่เกี่ยวกับมนุษย์นํามาพูดค้าเขากับมนุษย์ทำไมเดี๋ยวพวกเทวทัตมันจะมันจะมาตีหน้าผาเขาอีกว่าเทวดา ม, มีที่ไหนมันก็จะว่านั้น นี่ลราเรื่องเทวตรเทวดาก็เหมือนกันกับสัตว์โลกทั่วไปมีลบล้างกันได้อย่างไร น, นั่นพวกกายทีอย่นี่อันนี้พวกกายหยาบแม้แต่รายหยาบสิ่งที่ละเอียดกว่าตาเนื้อของเราจะมองเห็นก็ยังมีเช่นเชื้อโรคอย่างนี้ตาเนื้อดูธรรมดาเห็นเมื่อไหร่ต้องเอาเครื่องจุลทรรศน์ร่องทุลทรรศน์จับลงไปถึงได้เห็นเชื้อโรคนั่นตั้งแต่ด้านวัตถุมันก็น มันยังมีลี้ลับในสายตาของเราได้ด้านนมามธรรมมันก็มีอย่างนั้นเหมือนกันเราไม่เห็นแล้วไปลบล้างได้อย่างไงนี่แหละการปฏิบัติศาสนาในชาตินี้ผมพูดจริงๆนะผมได้ปฏิบัติเต็มกําลังความสามารถไม่มีสงสัยการประกอบความภาคยนันไม่ได้ตําหนิตนเองเลยว่าในจุดนั้นเวลานั้นระยะนั้นมีออนท่อถอยอ่อนแอไม่มี ไม่แต่ให้เกิดความขยะขยะคือน่ากลัวความเพียรของเราที่บำเพ็ญมาส่วนที่จะได้ตำหนิความเพียรว่าย่อย่อนอ่อนกำลังท้อถอยอ่อนแอรหรือท้อแท้เหลวไหลอย่างนี้ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นความเพียรมันถึงเด็ดทุกเวลาเวลาเพราะความมุ่งมั่นต่อแดนปนทุกนั้นมันเต็มหัวใจตลอดเวลาธรรมะโอกาสความภาคเพียรมันจึงอ่อนไม่ได้นะ ความเพียนประเภทไหนมันผ่าดผลโจรทยานจริงสำหรับผมเองนะตอนนี้ใสยผาดผลแต่คิดดูที่อย่างว่านั่งหามลุ่งหามค่ําใครนั่งได้ามาอวดดูสิหนะเนี่ยนี่มันนั่งได้จะว่าไงก้าคืนสิบคืนแล้วนะนั่งตลอดลุ่งตลอดรุ่งเป็นแต่เพียงว่าไม่ติดกันทุกคืนคือเว้นสองคืนบ้างสามคืนบ้างบางทีนานๆอะมีถึงถึงอาทิตย์หนึ่ง นั่งตลอดเรื่องที่หนึ่งก็ไม่ส่วนมากมักจะอยู่เว้นสองคืนสามคืนเนี่ยฟังที่เจอขนาดก้นแตกนั่งเบื้องต้นก็ออกร้อนเป็นฟืนเป็นไฟหมดทั้งก้นยังไม่แตกนั่งย้ำก็ไปย่ำก็ไปจากออกร้อนในก้นแล้วก็พองจากพองก็แตกจากแตกก็เลอะนั่นฟังทีนั่นนี่แหละเรื่องความภาคเพลียนมันไม่ได้สนใจกับสิ่งเหล่านี้นะ สนใจตั้งแต่อัตตาธรรมที่ได้ปรากฏขึ้นแบบอัศจรรย์ในวันที่นั่งตลอดรุ่งทุกคืนไม่มีพลาดเลยนั่งที่ว่าตลอดรุ่งคืนไหนเป็นความอัศจรรย์ที่ได้รับอย่างถึงใจถึงใ จ, งใ จ, งใจทุกคืนเลยด้วยเหตุนี้จิตใจมันถึงผาดผโผนโจรทยานร่างกายถึงขนาดก้นแตกกันยังไม่สนใจนี่ถ้าพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่มา กระตุกหรือไม่มาร่างเอาไว้นี้มันยังจะเอาอีกอยู่นานันจนกระทั่งท่านขนาบออกพอขึ้นมานั่งปั๊บเทานี้เลยยังไม่ได้พูดคําไหนนะฮีเลดมันไม่ได้อยู่ที่กายนะมันอยู่ที่ใจนั่นท่านว่าน ะ, ะม้าตัวใดที่มันผ่าผลโจรทยานพยศมากนี่สารถีฝึกมาก้าเขาจะทรมานอย่างหนัก ไม่ควรกินยา้าไม่ให้กินไม่ควรกินน้ำม่ให้มันกินเอาจนเต็มเนี่ยวรกจกระทั่งมันลดพยศลงมาลงมาการทรมานเขาก็ค่อยลดลงไปจนกระทั่งมันใช้งานใช้การได้เรียบร้อยแล้วการฝึกทรมานอย่างนั้นเขากเา็เขาก็หมดปัญหาไปท่านพูดเชียงตานีท่านไม่ได้ย้อนมาว่าหมาตัวนี้มันเลยมาแล้วนะท่านไม่ได้ว่าให้เราอย่างนั้นคือว่าหมาตัวนี้นั้นเหมาะ มันถึงใจเรานะนี่แหละธรรมะไม่มีหยาบคือให้มันถึงใจเป็นธรรมด้วยกันทั้งนั้นแหละท่านไม่ได้ว่าเท่านั้นะไอหมาตัวนี้มันไม่รู้จักประมาณท่านท่านไม่ได้ว่าท่านพูดเท่านั้นเราก็จับได้เพราะนี่มีแล้วในบาหลีเราเรียนผ่านมาแล้วเนี่ยถึงขั้นที่ว่านิสัยมันผ่าดโผลนเอาอย่างนั้นจริงๆทําอะไรมันผ่าดโผลมากทีเดียวท่านถึงเวลาท่านสอนเราท่านจึง ไม่ได้สอนธรรมดานะคุยกันธรรมดาอย่างนี้เหมือนพ่อกับลูกนะคุยกันธรรมดาพอหมุนเข้าสู่ธรรมนี่เปรี้ยงเลยกับเรานะเพราะท่านรู้นิสัยอันนี้ผ่าดโผลนตุนทะยานเอาจริงเอาจังพูดอ่อแล้วพูดเบาๆอย่างนี้มันไม่ถึงใจของคนนิสัยอย่างนี้อพอหันทางธรรมะเท่านั้นเสียงท่านจะเปรี้ยงเปรี้ยงขึ้นเลยทีเดียวนี่เนี่ยพอรู้นิสัยท่านวางธรรมะ ให้เหมาะเจาะ ก, กับนิสัยของเราเหลือเกินสําหรับพ่อแม่ผู้จารย์มัน่นนี่เราก็ได้ปฏิบัตินี่เราที่นิจจานั้นมาแล้วก็ผมก็ไม่เคยได้คิดที่ว่าจะทําหน้าที่ทําประโยชน์แก่โลกสงสารนี่นะแต่อํานาจแห่งความเมตตาเนี่ยมันเหลือล้นในหัวใจเราจึงได้ทําประโยชน์ให้โลกตั้งแต่เริ่มมาสร้างวัดป่าบันตา มีเท่าไรเป็นไม่เหลือไม่เหลือเลยเพราะอำนาจความเมตตา ม, มีกำลังมากบาตออกหมดกวาดออกหมดสงเคราะห์สงหาทุกประเภทของบุคคลที่ควรจะได้รับการสงเคราะห์อย่างนั้นก็สร้างโรงร่าโรงเรียนสถานสงเคราะห์ที่ราชการต่างๆยังที่เห็นนี่แหละจนกระทั่งโรงพยาบาลเวลานี้หนมก็ได้ร้อยกว่าโรงแล้ว嘛 มีอะไรติดเนื้อติดตัวนี่แหละอำนาจแห่งความเมตตาต่อโลกต่อสงสารนั้นจึงไม่มีอะไรที่จะมาคิดที่จะมาคิดว่าเร า, เ, าเก็บเงินไว้เพื่อเราผมไม่เห็นปรากฏในหัวใจผมเลยไม่ตั้งแต่คิดเพื่อโลกเพื่อโลกแม้ไม่มีมันก็ยังคิดสงสารอยากจะให้ตลอดเวลาแล้วจะ อ, อะไรมาเก็บสมบัติทั้งหลายนี่ยิ่งได้ออกช่วยโลกช่วยสงสารดังที่เหตุการณ์ปรากฏขึ้นมาบ้านเมืองเรา มันเอ็นมันเอียงจะถะะะลม่มล่มจมลงไปแล้วก็ด้วยความสงสารก็ได้ช่วยหาอุบายต่างๆช่วยพี่น้องชาวไทยดังที่เดินเป็นผู้นำอยู่วลานี้นี่ออกด้วยความเมตตาสงสารล้วนๆนะเราไม่เคยมีอที่ว่าจะมีชื่อมีเสียงดงดงัดงดงัดงอะไรอย่างโลกกิเลสมันมีแล้วไม่มีเราพอทุกอย่างแล้วมีแต่ความเมตตาสงสาร การนำพี่น้องชาวไทยเราตั้งแต่เริ่มแรกมาจนกระทั่งัตรนี้นำด้วยความเมตตาสงสารทาง <c oughs> ด้านบัตถุก็เป็นผู้ขอบิณฑบาตเชื้อเชิญพี่น้องทั้งหลายให้ร่วมมือร่วมใจด้วยความรักชาติของตนเสมอกันแล้วมีเท่าไหร่ก็ร่วมกันเข้ามาลงบปดังที่ได้นำเข้าสู่ข้างหลวงเวลานี้ทองคำก็ได้สองพกิโลหกสบปด 2,006.8 กิโลแล้วเวลานี้นี่ได้มาแล้วนะนี่แหละส่วนดอลลาร์กันประมาณทั้งเข้าแล้วนั่นสี่ล้านกว่าอเวลานี้ยก็ยังจะจะถึงล้านอยู่นะแต่เวลานี้ยังไม่ถึงก็ขาดอยู่ไม่กี่ดอลละ <c oughs> อันนี้ก็เก็บก็เข้าอที่เก็บไว้ก็มีที่เข้าสู่คลังหลวงแล้วก็มี <c oughs> สำหรับเงินสดนั้นเวลานี้มันก็ได้ถึงแปดร้อยห้าสิบกว่าล้านในแปดร้อยล้านนี้ผมจะหักเอาไว้คือเงินสดนี้ได้พูดมาตั้งแต่ต้นแล้วต้นโครงการช่วยชาตินะเงินสดเราจะไม่นำเข้าสู่คลังหลวงเราจะให้เป็นเงินหมูเเมียนช่วยทั่วประเทศไทยตรงไหนมีความบกคร้องขาดเกินตรงไหนก็จะ ส่งเป็นเงินก้อนไปให้จังหวัดนั้นๆแต่เมื่อมาพิจารณาแล้วการส่งเงินก้อนให้เขามารับไปทำหน้าที่เองนี้เราไม่ได้แน่ใจ <c oughs> เพราะโลกมันสศกรปรกเวลาเขารับมารับเขาจะบอกว่าเขาเป็นบริสุทธิ์พุทธโธเต็มที่อย่างนี้ก็พูดได้แต่เอาไปแล้วไปถลุงเสียหมดเราก็ไม่รู้เพราะเราไม่ได้ติดตามดูเลยต้องหักเงินสดเหล่านี้ ท, ทั้งที่เราจะนำไปทำอย่างที่ว่านะ่ะหากกลับมาเพราะเราไม่ไว้ใจสำหรับผู้รับไปย้อนขมาเป็นเราเป็นผู้ทาหน้าที่เสียเองเงินจำนวนเหล่านี้เราจะนาออกมาช่วยโลกด้วยเราเป็นผู้จัดผู้ทำเป็นผู้เก็บผู้รักษาเป็นผู้จะจ่ายเสียเองจะเป็น ค, ความธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุดพองเต็มหัวใจเราผู้เดียว กับการแสดงออกจะเป็นอันเดียวกัน เ, น <c oughs> เราจรึงได้ฮักอันนั้นไว้ไม่เข้าโครงการมากเหมือนแต่ก่อนหมุนเข้ามาโครงการที่เป็นพื้นฐานซึ่งเราได้ทำอยู่แล้วนี้เนี่ยออกช่วยโลกช่วยสงสารโดยตัวของเราเป็นผู้จัดทาเองเส่วนแปดร้อยล้านนั้นเราได้ประกาศแล้วว่าเราจะนำเงินแปดร้อยล้านนี้เข้าซื้อทองคา เข้าสู่คลังหลวงเพราะถึงจะออกว่าจะไม่ให้เข้าสู่คลังหลวงแต่ก็อดความเป็นห่วงใยในคลังหลวงไม่ได้เพราะบุกล่องทองคำมากเราจึ ง, ต, งต้องหักเงินแปดร้อยล้านนี้จะซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงอันนี้เราประกาศแล้วแม้เราตายไปแล้วก็จะต้องก้าวเดินตามที่เราสั่งไว้เรียบร้อยแล้วส่วนห้าสิบล้านกว่านั้นเรา อาจจะแยกมาเป็นเงินหมุนเวียนดังที่ประกาศตั้งแต่ต้นก็ได้หากว่าจำเป็นถ้าไม่จำเป็นเราก็ไม่ออกทีไมน่นีอาจจะหมุนเข้าไปหาเงินแปดร้อยล้านนั่นอีกก็ได้เพราะเราเป็นห่วงทาง <c oughs> ทางหลวงมากทีเดียว เ, ยเราก็ได้ปฏิบัติเต็มการลังความสามารถทางด้านวัตถุเราก็เข้มแข็งทุกด้านทุกทางบริสุทธุดพอง ไม่มีมณฑินติดหัวใจเราเลยว่าเราได้คิดเป็นอกุศลที่ตรงไหนต่อเงินจํานวนมากที่พี่น้องชาวไทยบริจาคมาเนี่ยเราไม่ปรากฏในหัวใจเราเลยเพราะอํานาจของความเมตตานี้ล้างเกลี้ยงหมดเลยอืสะอาดสะอานเต็มเหมนี่ยวเต็มเหนี่ยวนั่นเราก็ทําเต็มกําลังไม่ว่าทองคำไม่ว่าดอลลาร์ไม่ว่าเงินสดมีเท่าไหร่เข้าธนาคารเท่าไหร่เราเป็นผู้ถือบัญชีเอง เพราะเราไม่เชื่อใครง่ายโลกนี่โลกสกรปรกมากที่สุดจนขนาดที่ว่าจะเข้าไปแตะไม่ได้นะแต่เพราะอำนาจของความเมตตาสงสารโลกผมก็เลยทนเอากองมูดกองคูดเหล่านี้ก็ต้องได้ไปแตะไปต้องมันจนได้นั่นแหละเมื่อไปแตะไปต้องแล้วก็ต้องมีกลิ่นมีอะไรมาตํามจมูกจนได้แล้ว น, ะนี่โลกสงสารมันสกรปรก ทำเป็นของสะอาดท่าที่ธรรมดาแล้วเรียกว่าเข้ากันไม่ได้เลยถึงฉะนั้นผมยังถูไถเข้าไปช่วยโรคสงสารที่สกรปรกที่สุดนี่ดังที่นํามาปฏิบัติอยู่ทุกวันอยู่แหละมันสกรปรกสุดยอด น, นะโลกเหล่านี้สกรปรกขนาดนั้น่อจนไม่เรียกว่าไม่ควรเข้าไปแตะต้องเลยเหมือนกองมูดกองขู่นั่นแหละ ถึงเช่นนั้นก็ยังต้องได้เกี่ยวข้องอยู่โดยดีเพราะอํานาจแห่งความเมตตาโลกมันได้ทําเต็มเม็ดเต็มหน่วยตลอดมานี่ก็ผมก็ไม่เคยได้คิดนะว่าจะได้ช่วยโลกขนาดนี้ตลอดถึงการเทศนาว่าการเทศนาว่าการกรฟังนี่เทศเกือบทั่วประเทศไทยและเวลานี้มันกี่กันประเทศหากว่าจะเทศตามตํำรับตํารานั้นพิกตําราไม่ทัน เพราะเทศวันหนึ่งสองกันสามกันเทศตลอดมาสองปีกว่าแล้วแต่นี้ขอพูดอย่างอาฐานพชาานชัยที่ทำกับใจเป็นอันเดียวกันแล้วนี้จึงพูดให้เต็มยศก็คือว่าไม่อัดไม่อั้นในการเทศนาว่าการแล้วแต่ผู้มาเกี่ยวข้องจะรับได้น้ำหนักเบามากน้อยเพียงไรทำนี้จะออกเองออกเองออกเอ ง, ออเองรอบด้านรอบหัวใจไม่มีคำว่าจะตีบกานอั้นตู้ในช่องใดมุมใดในบัน ดาที่เขามาเกี่ยวข้องเรื่องราวอะไรมาเกี่ยวข้องที่ทำจะตอบไม่ได้รับไม่ได้รู้ไม่ได้แก้ไม่ได้ไม่มีเต็มอยู่หัวใจนี่ไปหมดเพราะใจตรงนี้เป็นธรรมทั้งแท่งออกมาแง่ไหนออกรับแง่นั้นแง่นั้น น, น, นี่เราพูดให้เต็มหัวใจอืมเพราะฉะนั้นการเทศนาว่าการจึงเทศได้มาตลอดเทศไปอีกก็ได้ถ้ากำลังบังชาพอเพราะธรรมมีอัดมีอัน้นมีจนจก่อเป็นมุมที่ไหน ไม่มีสมมูิเขตดแดนพอจะ บ, บีบบังคับไว้ว่ามีเท่านั้นเท่านี้ธรรมชาตินี่เหนือโลกหมดแล้วในหัวใจดวงนี้เหนือสทุกสิ่งทุกอย่างการเทศนาว่าการ ส, สอนโลกสมมูิก็เพียงเท่ากําปั้นทําไมมันจะเทศไม่ได้ทําครอบโลกธาตุเอามาสอนโลกเพียงเท่ากํำปั้นสอนไม่ได้มันหมดภูมิอย่างนั้นมีอย่างเหรือนี่พูดให้พี่น้องให้ท่านทั้งหลายฟังสชจเกณฑ์ การเทศนาว่าการของผมผมเอาดวงใจดวงนี้ออกเลยทีเดียวไหนเะมียกว่าบอกว่าไม่อัดไม่อัน้นวางอั้นเลยนะเอาใครจะถามมาแง่ไหนออกรับทันทีทันทีทันทนะีการเทศนาว่าการควรแก่ภูมิใดที่จะได้รับมันจะออกรับกันทันทีทัทีจนกทั่งสูงสุดทิมุ่งพันพานฟาดเทวบุตรเทวดาก็เอามาถ้ามันจะเป็นประโยชน์ที่ควรจะสนทนาบอกว่าไม่อัดไม่อัน้นวางั้นเลย พอเปรตพวกผีมันจะไม่รู้ยังไงมันเต็มอยู่ในหัวใจนี้หมดแล้วสิ่งเหานี้บุญเจ้าทรงรู้ทรงเห็นจึงนํามาแสดงหัวใจซึ่งเป็นนักรู่เดวยกันแล้วทําไมไมันจะรู้มาได้เห็นไม่ได้ปิดบังกันได้ยังไงนอกจากนามาพูดหรือไม่พูดตามที่เห็นว่าเป็นประโยชน์มากน้อยเพียงไรเท่านั้นไม่ใช่วิสัยที่จะนํามาพูดพร่ามไปทุกสิ่งทุกอย่างทุกเวัาเวลาจึงไม่จําเป็นด้วยเหตุนี้เรื่อง สิ่งเหนี้ผมไม่เคยพูดนะนะผมจริงๆเพราะมันไม่เป็นเครื่องหนักเครื่องน่วงท่วงหัวใจที่อยากจะให้พูดให้คุยอย่างนั้นทำในหัวใจนี่มีเหมือนไม่ไหมรู้เหมือนไม่รู้เพราะไม่มีเครื่องกดดันไม่มีสิ่งขัดดันที่จะให้อยากพูดอยากคุยอยากโม้อยากอวดมันไม่มีทำแท้ไปอย่างนั้นพอดีตลอดเวลาควรจะออกหนักเบามากน้อยเพียงไรแต่พูดกี่จะรับประโยชน์ ก็ออกตามนั่นตามนั่นตามนั่ น, น, นเพราะฉะนั้นการเทศนาว่าการจริงเอาแน่นอนไม่ได้ไเทศติ่งแกงหม้อใหญ่ก็มีเนี่ยแกงหม้อเล็กก็มีแกงหม้อจิ๋วก็มีมันอยู่ในหัวใจทั้งหมดแล้วโจมตอกบนมุมที่ไหนสอนโลกผมยังเลยพูดเต็มเหนี่ยวว่าอผมไม่อั้นนะการสอนโลกพูดจริงๆถ้าโลกจะรับได้ขนาดไหนทำนี้พร้อมแล้วครอบโลกธาตุจะมาว่าอะไรโลกเท่ากําปั้นนี่วะอ่ะ ถ้าควรจะได้รับนี่จะออกทันทีทันทีทันทีเลยหรือว่าเปิดโล่งตลอดว่างั้นเถอะจะว่ามีจุดใด้ดที่ปิดที่บังไว้มันไม่มีมันโล่งหมดไปไปหมดในหัวใจตรงนี้เนี่ยฟังที่พี่น้องท่านทั้งหลายฟังออกเลยนี่ละการปฏิบททัติธรรมเมื่ออันนี้ผมก็แน่ใจว่ามันจะขึ้นอยู่กับนิสัยวาสนาของแต่ละท่านละอง์ที่รู้อย่างนี้ไม่เหมือนกัน ที่จะนำมาทำประโยชน์แก่โลกจิงมีกว้างมีแคบต่างกันสำหรับเราเองเราพูดเราเจะมีวาสนามากน้อยเพียงไรก็ตามเราเต็มในหัวใจเรานี้ที่จะนำออกแสดงแก่โลกที่ควรจะรับประโยชน์ไ ม, ไม่อัดไม่อั้นเลยเปิดโลกหมดครอบแดนโลกธาตุนั่นฟังสินะนี่ละใจดวงนี้เห็นไหมเวลากิเลสบีบหัวมัน ไปนั่งภาวนาอยู่บนภูเขาน้ําตาล่วงร่วงสู้กิเลสไม่ได้ผมเก่มาพูดใน ห, หมู่เพื่อนฟังซาด ก, กันซะจนเต็มเหนี่ยวเต็มเหนี่ยวจนพ่อได้หลักได้เกณฑ์ก็ฟาดใหญ่จนกระทั่งถึงนั่งตลอดลุง่งก้นแตกก้นพองเลอะไปหมดก็ไม่ถอยกันถอยกันนี่เวลาโรคประโลมอย่างนั้นจริงๆเอาจริงๆพอได้ที่ได้ฐา น, นก็ฟาดจน ถ, ถึงขั้นสติปัญญาอัโนมัติหมุนตัวเปล่งเตี้ยวก็มาเล่าให้ฟังมันไปในหัวใจเจ้าของเองไม่ต้องไปถามใคร มันรู้จริงๆเห็นจริงๆพูดไม่ได้มีอย่างเรอแล้วกระทั่งถึงเก้าเชื่อมโยงเข้าถึงมหาสติปัญญามหาสติปัญญาเป็นขั้นสืมทราบนะสติปัญญาตุนอมาตเป็นเป็นขั้นที่หยาบคนนั้นลงมาทํางานเหมือนว่าเป็นเป็นระยะเป็นอะไรพูดไม่ถูกแหละหากไม่ใช่สืมทราบนะอืมอันนี้เป็นมักเป็นตอนถ้าเป็นมีดก็เรียกว่าฟันฟัน สับฟันปักปักปักปกเป็นบทเป็นบาททวนมหาสีมหาปัญญานี่ซึมไปเลยซึมทราบไปเลยทีเดียวมันรอบตลอดทั่วถึงตลอดทั่วถึงไปเลยนี่เรื่อมหาสติปัญญาถ้าจะตั้งให้เป็นชื่อนะมันก็เป็นอยู่ในหัวใจนี่หมดแล้วการมาสอนโลกผมยังมไม่มีอาจมีอ่านวางอันใดที่จะสอนได้แบบใดภูมิใดเพราะมันเต็มอยู่ทีหัวใจอยู่ทั้งหมดสอนโลกก็สอนด้วยธรรมล้วน ไม่มีอะไรกิเลสแ ม, แม้แม่ทิมเมสายที่จะไปแทรกในกิริยาอาการสุ่มเสียงในการสอนโลกไปเลยไม่แต่กิริยาของธรรมล้ว น, นเด็ดก็เด็ดเป็นธรรมดุก็ดุเป็นธรรมดีก็ดีเป็นธรรมเผ็ดร้อนขนาดไหนเป็นธรรมล้ว น, นกิเลสไม่เข้ามาแทรกเลยจึงเรียกว่ากําลังของธรรมพลังของธรรมก็มีกําลังเช่นเดียวกับพลังของกิเลสกิเลสถ้ามันแล้วออกเต็มเหนี่ยวของมันจะตามพลังของมันและโลกทีนาตนะ แตพ่พลังของธรรมนิอ้ อ, อวัาชราัายเป็นน้ําดับไฟน้ําดับไฟเพราะมีแต่ธรรมล้นล้วนนั่นแหละพลังของธรรมต้องมีไม่มีแก้กิเลสไม่ตกพลังของกิเลสมันมีไม่มีธรรมโลกให้พินาศไม่ได้นี่พลังของธรรมก็มีไม่มีปราบกิเลสไม่ได้นั่นโมลากิเลสมันสิ้นจากหัวใจแล้วเราจะไปหามาจากที่ไหนว่ากิเลสดูด้วยกิเลสกิเลสทั้งนี้จกดูที่ไหนไม่งั้นจะเรียกว่ามันสิ้นเหรอ กิเลสทินแล้วหายังไงมันก็ไม่เจอแต่ท่านจะไปหาอะไรท่านรู้อยู่แล้วนี่นั่นแหละที่นี้ก็มีธรรมทั้งแทงธรรมทั้งแทงพุ่งพุ่ ง, งเต็มเม็ดเต็มหน่วยไอเรื่องของกิเลสนั้นท่านไม่ได้นึกถึงมันแหละมีแต่พลังของธรรมออกกิริยาท่าทางซุ่มเสียงออกพลังของธรรมเป็นเหมือนกับพลังของกิเลสจะออกแสดงตัวเพราะร่างกายสุ่มเสียงกิริยาเหล่านี้เป็นเครื่องมือ ของทำด้วยเป็นเครื่องมือของกิเลสด้วยอืเวลากิเลสครองตัวแสดงออกก็เป็นพิษเป็นภัยไปหมดเวลาทำเข้าครองแล้วทำเอาแสดงอะไรเป็นธรรมไปหมดแต่ธรรมท่าไม่ยุดนะกิเลสมันดืดธรรมท่า น, ท, า น, ท, านท่านแสดงออกอย่างนั้นนะทุ่มเสียงที่ยาท่าทางเด็ดเี๋ยวเฉียบขาดเป็นเหมือนกันหมดอเป็นแต่เพียงว่าไม่มีกิเลสเข้ามาแทรกเป็นพ a r a m ของธรรมรวมๆนี่มันกรปลา ก, กดหวัวใจแล้วจะให้วางอไร สอนหู่สอนเพื่อนเราจะหามาจากไหนกิเลสถ้าถ้าวันนั้นหาเจออยู่ที่เดียวกับมันสิ้นได้อย่างไรแล้วก็ประจักษ์อยู่นั้นตลอดเวลาอาการดิโก่อยู่ด้วยว่าไม่มีอะไรสําหรับสมมติที่จะเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ในหัวใจนี่ให้ถึงใจไม่มีเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ท่านที่สิ้นกิเลสแล้วท่านจึงไม่มีทุกข์ทางใจทุกข์ทางใจไม่มีเลยตั้งแต่ขณะกิเลสซึ่งเป็นตัวเหตุสร้างทุกข์ขึ้นมาในหัวใจขาดสะบัดลงไปทุกข์กับ ไปพร้อมๆกันเลยทุกก็มีแต่เรื่องของธาตุของขนันอันเป็นส ม, มุนธ์ด้วยกันถ้าตุขันแล่านี้เป็นสมมุติทุกทุกขเวทนามันจึงไม่สุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนามีอยู่ในร่างกายอยู่ทั้งนั้นในหัวใจท่านไม่มีอุเบกขาก็ไม่ใช่อุเบกขาแบบนี้พูดไม่ถูกในในเวทนาตั้งสามไม่ได้เข้าถึงหัวใจของท่านผู้สิน้นจิตเละแล้วเลยได้เลยมีอยู่ในธาตุเนขันเก็บไล้เดรป่วยปวดหัวต่อร้อนก็รู้อยู่ว่ามันเป็นเป็น แต่อย่างไงจะให้มันเข้าซึมทราบถึงเกีย่ยวนั้นเป็นไปไม่ได้เป็นคนรับฟังไปแล้วเป็นเป็นอาถรรพ์เป็นไปไม่ได้เลยนิรกิจที่บริสุทธิ์เต็มเหนี่ยวแล้วเป็นอย่างนั้นเราก็ได้มาสอนโลกเต็มกํลาลังความสามารถจะเป็นวาสนาอันหนึ่งก็ถูกหรือบุญก ร, รรมของผมก็ถูกนะที่ผมได้มาช่วยโลกช่วยองค์านนี้ช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงๆริงจนเต็มความสามารถนี่ทุกอย่า ง, งการ เป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายชาติไทยของเราเนี่ยนำแต่สุดฉีดจุดแดนทุกอย่างไม่มีความท้อถอยอ่อนแอนำอย่างกล้าหาญฉาบชัยด้วยอัดด้วยทำ ม, มีความเมตตาครอบตลอดเวลาด้วยการเทศนาว่าการกวันกันไม่มีคำว่าสะทกสะท้านหรือว่ากล้าว่ากลัวกับสิ่งใดในสามเด่นโลกฐานนี้ซึ่งเทียบแล้วเหมือนกับถังขยะจะไปกล้ากับมันอะไรภาษาถังขยะ แล้วกลัวมันอะไรภาษาทางาังขยะโลกสมมูลนี่คือโลกถังขยะทั้งนั้นแหละทำประเภทที่ ท, ที่ที่เป็นในพระพุทธเจ้าหรือเป็นธรรมชาติไม่ใช่ถังขยะมันเข้ากันได้อย่างไงนั่นพิจารณาสิแล้วจะไปกลัวกับจะไปกลัวกับอะไรไปกล้ากับอะไรถึงว่าโลกุตรธรมรมแปลว่าธรรมเหนือโลกเหนือตลอดเวลาโดยหลักธรรมชาติของตัวเองการแนะนําสั่งสอนดูด่าว่ากล่าวจะหนักจะเบาก็เป็นไปตามเหตุการณ์เท่านั้น พอเทศจบแล้วก็หาเงียบหาเงียบท้าไม่ได้เป็นอารมณ์ในเรื่อง เ, อเป็นอารมณ์เหมือนสมมุติทั้งหลายนะแล้วท้าไม่ได้ถือใครว่าเป็นกรรมเป็นเวรต่อท่านไม่ได้ไม่ได้ถืออะไรยางที่ผมแสดงอยู่เวลานี้ทำสอนทั่วประเทศไทยช่วยประเทศไทย คิริยาท่าทางออกทุกด้านทุกทางที่จ็ที่ควรจะออกจะออกแต่ไม่มีจิเลสตัวใดจะมาแฝงและไม่เคยถือว่าใครวับไปเป็นฆ่าศึกศัตรูต่อเราเราไม่เคยมีในหัวใจผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกไปธรรมดาตามเรื่องของธรรมต้องเป็นอย่างนั้นจะลูกหน้าปาาจมูกสูงสู ง, สงต่ําๆ ำ, ำงั้นไม่ใช่ธรรมเรานํามาสอนโลกไม่ได้เราต้องาทำมาสอนโลกสอนโลกผิดต้องบอกว่าผิดถูกต้องบอกว่าถูกแต่แม็ดเต็มหน่วยจึงเรียกว่าธรรมเนี่ย การนำพี่น้องชาวไทยเราตลอดพราเนน์ทั้งหลายในที่ต่างๆผมก็สอนแบบนี้ทำแบบนี้ผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกไม่เคยที่บอกจะไปกลัวคนนั้นไปกล้าคนนั้นจุดนั้นสูงจุดนี้ต่ำไม่มีในทาทั้งหลายล่าไปหมดเลยเพราะเหนือหมดแล้วนั่นเราก็ได้ทำเต็มกำลังความสามารถของเราในการช่วยโลกคราวนี้ผมเรียกว่าหมดกำลังความสามารถของผมกตเป็นบ้านนิสัยวาสนาของเจ้าของก็มันก็ ก็ก็น่าจะเป็นไปได้เพราะผมไม่เคยมีความดําหนีว่าจะช่วยโรกแบบนี้มาแต่ก่อนเลยนะปกตินิสัยของผมเป็นคนนิสัยวาสนาอาภาพัพ <c oughs> ไม่ค่อยจะเกี่ยวข้องกับใครแม้ตั้งแต่ออกปฏิบัติก็ใครติดตามไม่ได้นะผมต้องไปคนเดียวภาวนาคนเดียวคนเดียวใครจะเขียนประวัติต้องผมนี้เขียนไม่ได้นะนอกจากผมเล่าให้ฟัง เป็นบางการสถานที่เวล่าเวราะนั้นก็จิีบอนั้นมาเขียนนั่นพอจะเขียนได้ที่จะให้ติดให้ต่อกันจริงๆนี่จากผู้ใดก็ตามที่ไปติดตามเราไปนั่นพอที่จะามาติดมาต่อกันนี่ไม่ไหมอืมองค์คราวนี้ไปกับองค์นั้นค้าวนั้นไปกับนั้น อ, องค์นั้นกับองค์นี้อาจจะเอาเรื่องราวมาติดมาต่อเป็นประวัติของผมขึ้นมาก็ได้แต่นี่ผมไปองค์เดียวผมนอกจากจะได้รับ คำบอกเล่าจากผมแล้วก็มาเขียนไปเขียนไปเท่านั้น <c oughs> เพราะผมเป็นอย่างนั้นนิสัยวันนี้เป็นนิสัยอาภาัพวาสนาตั้งแต่วันออกปฏิบัติไม่ให้ใครมายุ่งด้วยเลยไปที่ไหนองค์เดียวองค์เดีย ว, ยวตลอดเวลาเนี่ยแล้วเหตุใดมันจึงได้มาช่วยโลกสออโลกถึงขนาดนี้มันก็น่าคิดอยู่นะหากว่าเราตั้งความน้มหวีไว้แต่ต้นก็คอช่วยเราไม่มีแต่ความเมตตานี้เป็นพื้นฐานมาตลอดอันนี้ยอมรับเลย นี่แหละอำนาจของความเมตตานี่แหละที่ให้ช่วยโลกเวลานี้นะช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มกำลังความสามารถนี่เวลานี้กระทัดขันก็อ่อนลงอ่อนลงทุกสิ่งทุกอย่างผมก็สอนไว้เต็มเม็ดเต็มหน่วยวิธีการพาพี่น้องชาวไทยเรานํานี่ก็บริสุทธิ์พุทผ่องทุกอย่างไม่มีที่ต้องติีในหัวใจตัวเองหัวใจตัวเองว่ามีเกีตนาลามกต่อพี่น้องชาวไทยอะไรบ้างไม่มี เรียกว่าทุ่มลงหมดรุ่มหมดบริสุทธิ์เต็มสัดเต็ม่วนแล้วการแนะนําสั่งสอนก็เหมือนกันสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งเด็ดทั้งเดียวทั้งดุทั้งด่ทงาทั้งว่าทุกแบบทุกฉบับที่ควร จ, จ, จะอัจแก่ทำที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ได้ยินได้ฟังนั้นผมเทศเอาหมดไม่มีอะไรเหลือจึงเรียกว่าเทศเต็มผมการเทศนาว่าการก็คิดดูที่อายุถึงปีนี้ก็แปดสิเจดแล้วเทศมาสักเท่ายหสองปีกว่านี้เรียกว่าเทศมากที่สุดเทศหมด ไม่ว่าสมาคมใดผมเทศให้ฟังทุกเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกแห่งทุกโหนไปเลยนี่เวลานี้ก็กําลังอ่อนลงไปแล้วอ่อนลงไปแล้วการเทศนาว่าการควรจะเป็นกติตัวอย่างแก่โลกที่จะไปปฏิบัติตามทั้งฝ่ายละและทั้งฝ่ายบําเพ็ญก็ควรจะได้เป็นหลักเป็นเกณพอสมควรแล้วนี้ต่อไปผมก็จะปล่อยของผมไปเรื่อยๆตามทาตขันของผมนี่แหละนี่ก็ได้เคยพูดแล้วว่า การเทศนาว่าการในที่ทุกแห่งดังที่เขานิมนต์มานั้นต่อไปนี้จะเป็นไปไม่ได้แล้วเราจะเทศให้เฉพาะที่งานจําเป็นเป็นจริงๆเพื่อช่วยโลกสงสารดังที่เคยปฏิบัติมาทั่วๆไปเราจะไม่รับแล้วเดี๋ยวนี้อ่อนไปหมดไปที่ไหนก็ไม่ไหวแล้วมันค่อยลดลงไปลดลงไปปล่อยลงไปวานลงไปต่อไปงี้ก็ปล่อยเลยมันหนักเปนในต่อกธรรมชาตินี่นะไม่ไม่มีใครรู้ยิ่งกว่าเรารู้เรา เรารู้เราทุกสิ่งทุกอย่างในตัวของเราเองมีเราก็ได้ช่วยเต็มกาลังความสามารถในเฉพาะเมืองไทยเหล่านี่เทสไปหมดไปหมดทางภาคใต้ก็นิมนต์เราก็เห็นใจใจะทายังไงอ่านนั้นมันเป็นไกลหน่อยแล้วก็เป็นเวลาที่เท่าแก่ชลามาแล้วนิมนต์มาก็ขอขอเมินใจจากพี่น้องชาวภาคใต้ของเราเพราะเรากำลังมันหมดแล้วเดีย แม่ตั้งแต่อยู่ในภาคใกล้ๆที่ไปมหาสู่ได้อย่างสะดวกสบายมันยังรับไม่ได้หมดคิดดูสินะเนาะก็ปล่อยไปปล่อยไปยังไม่ค่อยทั่วถึงกําลังวังชาไม่อํานวยะทางภาคใต้ก็แทบทุกจังหวัดเลยแล้วนี่มนเราแต่มันก็ไปไม่ได้จะทํำยังไงคนคนเดียวทําหน้าที่ทั่วแผ่นดินมันก็หมดกําลังหมดเรี่ยงเวลานี้ยิ่งหมดกําลังแล้วแล้วจะไปที่ไหนก็ไม่ได้แล้วเนี่ย ก็มีแต่จะปล่อยวางเท่านั้นเองน่ะเรื่องราวมันก็เป็นอย่างนี้พาตขันเราทํางานคนเดียวคนอื่นไปทําแทนไม่ได้สิถ้าทําแทนได้ก็ค อ, อยังชั่วหน่อยอันนี้มันก็ขึ้นคงจะขึ้นอยู่กับนิสัยวาสนารร <c oughs> ถ้าเขาไม่ยอมรับซะอย่างเดียวเท่านั้นมีกี่หมื่นกี่แสนพระก็ตามเถอะมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนั่นแหละมันสาคัญอยู่ที่ว่ายอมรับกันหรือไม่ยอมรับ <c oughs> น, นี่ก็ มันก็หากจะเป็นนิสัยวัสนาเกี่ยวโยงกันเอนี่ประชาชนไปที่ไหนก็อนุโมทนาสาธุการรุมรุมเทศที่ไหนไม่มีคมาําว่าคนจํานว น, น้อยนะั้นแน่นอัดแน่นอัดแน่นทุกแห่งทุกโหนไม่ว่ากรุงเทพต่างจังหวัดไปเทศที่ไหนคนไม่เคยบกบางเลยแน่นแน่นแน่นด้วยกันทั้งนั้นแหละนี่ก็แสดงว่ายอมรับนั่นเองเอ เขาไม่ยอมเล่าเขาก็ไม่ไปฟังยกตัวอย่างเช่นอย่าง ก, กระทรวงสาธาณสุขนี่ประหลา ก, กระทรวงพูดเองเนี่ยเขาคนไปฟังแทบที่กระทรวงสาธาสุขนั่นมันมากจริงๆก็กมากเหมือนทุกแห่งนั่นแหละแต่กระทรวงสาธาสุขเขาไม่เคยเห็นเขาไปว่าโอ้ยนี่มีพิลิลพิลันคนผิดคาดผิดหมายไม่ได้คิดว่าคนจะมามากขนาดนี้เพราะที่กระทรวงนี้ก็เคยยมุน พระเถระผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มาเทศประกาศลั่นก่อนที่จะเทศนี่ขั้นเวลามาแล้วก็ยอมหมยมย้อมหยมอว่างั้นนะแต่นี่หลวงตามานี้ไม่เคยาเคาดคคิดว่าจะมีคนมากขนาดมันมีแน่นไปหมดอย่างั้นก็อย่างนั้นแล้วทั้งๆ ท, ที่เราไปเทศที่ไหนก็แน่นไปหมดเหมือนกันแต่ท่านหน่นี้ไม่เคยเห็นสถานที่ต่างๆซึ่งเราไปเทศอัจแน่นไปผู้คนฟังทุกแห่งไม่ว่าภาคไหนเหมือนกันหมด นี่เราก็พูดถึงว่าเขายอมรับนั่นเองแต่เขาไม่ยอมรับหัว่าให้จ้างไปเขาก็ไม่ไปนะแต่นี่ไม่ได้จ้างประเทศที่ไหนติดตามฟังแม้แต่พวกพวกรุงเทพนี่สําคัญมากนะประเทศที่จังหวัดจังหวัดไหนเนี่ยติดตามไปฟังตลอดตลอดไม่ใช่ไป น, น้อยๆนะกรุงเทพไปมากต่อมากนะนี่ก็คือความยับความยอมรับมันคงเป็นนิสัยวัสนาเกี่ยวโยงกัน เราก็เลยพยายามเต็มกําลังความสามารถของเรา <c oughs> จนหมดกําลังบางฉายแล้วที่นี่มีตั้งแต่จะหดย่นเข้ามาย่นเข้ามาอะไรก็สอนหมดแล้วการพาดําเนินเช่นการบริจาคทานโครงการก็มีอยู่ใครอยากอยากช่วยมากน้อยเพียงไรก็โอนเข้าในโครงการโครงการตามธนาคารต่างๆก็บอกประกาศไปเรียบร้อยแล้วดังที่เห็นหลังซาลาเหล่านี้แหละเนี่ยใครจะหนุนเข้ามานั้นก็ได้เนี่ย แลวการเทศนาว่าการใช้ผมประเทศทุกงเนี่ยโน่นอย่างที่เกิดเป็นมานี้เรียกว่าเป็นไปไม่ได้แล้วเวลาเนี่ยมีตั้งแต่อ่อนลงอ่อนลงแล้วก็ปล่อยไปตามเรื่องของมันเท่านั้นเองนี่แตวเราก็ทําแล้วนี่โครงการนี้ก็ใครๆก็บริจาคมาได้เนี่ยการเทศนาว่าการเราไปไม่ได้เขาบริจาคมาก็ยังได้อยู่จะเป็นอะไรนี่แล้วการสํานวนเทศของผมมีมันทั่วประเทศไทยมีทุกภาคเต็มไปหมดอืมทางเทปแหละสําคัญ วิทยุก็ออกทางเทพก็ออกฟังได้ทั่วไปหนังสือก็ออกก็เรียกว่ามากที่สุดบรรดาพระในกรุงสยามเหล่านี้ว่า ง, งั้นเลยเราอยากจะพูดว่าหลวงตาบัวนี่รู้สึกจะเป็นที่หนึ่งการเทศนาว่าการก็ดีพวกเทพก็ดีออกทางวิทยุก็ดีเพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกนี่เรียกว่าเราทําเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วใครจะยึดถือเป็นกติเครื่องเตือนใจเป็นประโยชน์แก่ตนเองก็ควรจะได้รับ ก็ควรจะได้อยู่แล้วนั่นนะเ่การเทศนาว่าการมันก็หมดกําลังกำลังตอนนี้ไปจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้แล้วอ่อนลงอ่อนลงนี่เราเทศเต็มกําลังความสามารถด้วยความเมตตานะัเนี่ยที่นี่บรรดาพระเราที่มาอยู่สถานที่นี่ให้พากันตั้งอกตั้งใจพระพุทธปฏิบัตินะเรื่องมรรคผลนี่ผ่านยาไปให้กิเลสมาลูกจมูกนะเ อ, อพระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วว่าอาการลิโกอาการลิโกทำ ไม่มีการสถานที่เรียกมาลาขึ้นอยู่กับการปฏิบัติเนี่ยอยู่ตรงนี้นะสวาคาจะทําตรัสไว้ชอบแล้วชอบแล้วอะไรว่ามียังไงเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่งั้นจะเรียกว่าตรัสชอบได้ยังไงบาปมีบุญมีนรกสวรรค์ภพมโลกนี้ผ่านมีเปรืผิวเพศต่างๆทั่วแดนโลกธาตุมีเห็นแล้วรู้แล้วจึงมาสั่งสอนโลกแล้วใครจะไปลรรบล้างว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีนอกจากคนตาบอดที่เรียกว่าปฐาปรมะ มืดเป็นเศษมนุษย์ข้างแผ่นดินของมนุษย์อยู่เท่านั้นเองเออจึงจะไม่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีผู้ที่รู้ที่เห็นเพรมันก็เป็นองค์วิเศษด้วยาศาสดาเอกซะด้วย น, น, นะแล้วนํามาแสดงตามที่รู้ที่เห็นผู้ปฏิบัติตามรู้ตามเห็นตามยังมีแม้ไม่เต็มเม็เต็มหน่วยเหมือนาศาสดาอุเอกก็ตามแต่ก็เป็นสักขีพยานกันได้โดยไม่ต้องสงสัยนี่เรียกว่าธรรมเป็นอากายลิโค ขอให้ตั้งใจประพฤตปฏิบัติกิเลสก็เป็นอาการวิโกเหมือนกันทําให้เกิดกิเลสมั้งเรยเป็นได้ทุกเวลามันมีการสถานที่เวลาเวลาที่ไหนกิเลสนะ่ะทำทำไมถึงว่าเวลานี้สิ้นเฉดสิ้นสมัยศ า, าสนาสว่วนเลียวแหลมไปแล้วอย่างนั้นกิเลสมันหลอกตัางหากนี่นะศาสนาเรือเดียวแหลมที่ไหนขอให้ปฏิบัติืที่ทำคงเส้นคงวาหน า, นานแน่นตลอดเวลาพร้อมที่จะให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติเช่นเดียวกับกิเลสมันก็พร้อมที่จะให้ผลแก่ผู้ หลงตามมันอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันนะนะั่นแหละให้พากันตั้งอกตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาปฏิบตัติทำนี่สดสดร้อนๆตลอดเวลานะขอให้ตั้งใจปฏิบัติ <c oughs> อันเรื่องโลกโศกโรกส ม, มมนี้อย่าไปสนใจกับมันให้เสียคนากิตได้รับความลําบากระมุถ้าคิดเรื่องกิเลส จ, จะแทงหัวใจทันทีทนที NT. คิดเรื่องอัดเรื่องทำมีความสงบร่มเย็นแจ่มจีใจของเราทุกคนนั้นแหละให้คิดเรื่องอัดเรื่องทำตั้งแต่ความบดีกรรมเอาสงบ เอาคำบริกรรมติดกับจิตลงไปนี่เรียกว่าหลอเลี้ยงจิตใจด้วยคำคำบริกรรมต่อไปเมื่อเราบังคับไว้เสมอแม้มันส่งออกไปข้างนอกจิตของเราจะมีความอบ อ, อุ่นแน่นหนามั่นคงขึ้นเป็นระบาดจนกลายเป็นสมาธิขึ้นมาได้ด้วยคำบริกรรมใครอย่าไปนึกเอาเฉยๆนะว่าจะกําหนดความรู้เฉยๆอย่าเราทํามาแล้วนะผมทํามาแล้วนะย <c oughs> นกระทั่งได้เอาคำบริกรรม คือพุทโธติดแนบหัวใจเอาแต่แต่นิสัยผมมันจริงจังนะจริงจังมากทีเดียวแล้ตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเราจะเอาคําบริกรรมนี่ติดแนบกับหัวใจไม่ยอมให้เผลอเลยเพราะกําหนดแต่กิตที่เฉยนี่กีดมันเสื่อมแล้วก็เจริญเจริญแล้วเสื่อมทำยังไงก็ห้ามไม่อยู่มันจะเป็นเพราะเหตุนี่ละมั้งเพราะเหตุที่เราไม่มีคําบริกรรมนี่ละมั้งยึงจับคําบริกรรมแล้วจับจับจริงด้วยนะตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะเอาคําบริกรรม เป็นเครื่องกากับจิตตลอดไปมันจะไม่อยอมให้เผลอนั่นนะฟังที่น่ะตื่นนอนปั๊บจับพุทโทธตลอดเวลาอีอยาเคลื่อนเอ่อเคลื่อนไหวไปไหนไปไหนในขณะเวลาที่ตั้งจิตจิตยังหารากถามไม่ได้เอาขนาดนั่นเท่านะอืมตั้งใจลงกับคําบริกรรมไปไหนคือไม่ให้เคลื่อนค้าดไปเลยทีเดียวตื่นนอนปั๊บพุทโทธติกเลยโจนก็ทั้งได้เห็นชัดเจนว่าจิตของเรานี่เวลามันละเอียดจริงๆนี่คําำมี ร, ร, รมไม่ปรากฏนะนั่น มันเกิดขึ้นแล้วในตัวของเราเวลามันยุ่งเหยิงวุ่นวายเอาคําบิกรรมติดแนบไปเลยไม่ยอมให้มันคิดไม่เสียดายความคิดอะไรทั้งนั้นให้มีแต่ให้มีแต่ความคิดคือว่าพุโทโธพุโทโธซึ่งเป็นความคิดทางด้านธรรมะอยู่กับใจมีสติติดแนบตรงนี้แล้วใจยังไงต้องตั้งได้คนเราตั้งได้ผมได้ตั้งมาแล้วเนี่ยเ <c oughs> มื่อเวลาอนั้นผมก็ได้เขียนแล้วในหนังสือก็มีเทปเนะี่ก็มีนะ เราปล่อยหมจริงๆเราอเรื่องเสียดายในเรื่องความเสื่อมความเจริญเราก็เคยเป็นมาแล้วไม่เห็นมันเกิดเป็นผลประโยชน์อะไรคราวนี้เราจะไม่เสียดายเอาเจริญก็เจริญไปเสื่อมก็เสื่อมไปแต่กับผู้โทรเราจะไม่ปล่อยเอาตรงนี้เท่านั้นหละป่ะทีนี้หายหายกังวลทั้งหมดเอาเสื่อมก็เสื่อมไปเราเคยเสียดายมันพอแล้วสร้างกองทุกข์ให้เรามากมายไกลกองไม่เสียดายมันทั้งความเสื่อมความเจริญไม่ให้เป็นอำรงกำมัน แต่กับพุโทโธนี่จะไม่ยอมปล่อยจับพุโทโธตลอดเลยที่นี่ <c oughs> เอามันจะไปไหนเป็นยังไงก็ตามพุโทโธพุธโทโธติดแนบเลยนี่เราะถึงได้เห็นคําว่าพุโทโธนี่เข้ากลุ้มกิน ก, กับใจแล้วนี่ล่ะเอะคําบริกรรมพุโทโธพุธโทโธที่เราเคยบริกรรมมานี่ไม่มีนะพอถึงขั้นที่ละเอียดแเราเต็มเหนี่ยวแล้วกําหนดพุโทโธไม่ปรากฏเลยเหลือแต่ความรู้ที่เด่นจนกระทั่งงงเอ๊ะทาไมนี่แต่เรากก็่อนเราบริกรรมได้นี่ บริกรรมได้ทําไมเทียนเท่านี้มันบริกรรมไม่ได้แล้วเหลือแต่ความรู้ที่เด่นเอ้าบริกรรมไม่ได้ ม, ม, มดันมันรู้สึกมันมันสงสัยโซนเทศนะเราหวังจะตายอยู่กับคําบริกรรมทีนี้คําบริกรรมก็หายแล้วทําไมเอ้าอันที่ไม่หายคือความรู้บันเด่นเอาทั้งห้าว่าเอาบริกรรมหายก็หายไปแต่เอาสติเปลี่ยนจากคําบริกรรมนั่นอะมากลับอยู่กับความรู้อนี้เอาสติจับกับความรู้ที่ละเอียดละอ่ แต่บริกรรมไม่ได้นั่นให้อยู่นั่นมันก็ไม่นานของมันนะพอได้จังหวะแล้วจิตมันก็ค่อยขี้คลายออกมาเอาคําบริกรรมอาจปั๊บเข้าไปได้เออที่นี่บริกรรมได้นั่นเวลามันเข้าละเอียดจริงบริกรรมไม่ได้นะผมเป็นแล้วนะจนกระทั่งเจ้าของงงไม่งงวา ง, งั่นเลยเอาให้อยู่กับคํามรู้นี้เอาสติจับตรงนี้แทนกับคํบคาบริกรรมมันไม่นานมันก็ ค, ค่อยขี้คลายออกมาเนี่ยพอาี้คลายมาคําบริกรรมติดติด จนกระทั่งถึงขั้นที่มันเจริญขึ้นไปแล้วมันจะเสื่อมมันรู้ขนาดนั้นน่ะพอเจริญขึ้นไปถึงขั้นนี้แล้วมันเสื่อมเอาเสื่อมก็เสื่อมไม่เสียดายมันคําบริกรรมไม่ปล่อยไม่ปล่อยเส็จเอาไปเรื่อยๆไปสุดท้ายเวลาถึงขั้นนั้นแล้วควรจะเสื่อมไม่เสื่อมนะคือเสื่อมแล้วก็ไม่เสียดายเพราะจิตนี้มันเด็ดมากนะเหมือนหินหักถ้าว่ายังไงแล้วือว่าไม่เสียดายไม่เสียดายจริงอ้าวเสื่อมไปแต่กับผู้โถจะไม่ยอมปล่อยพอถึงขั้นนี้แล้ว ควรจะเสื่อมมันอยู่ได้สองวันสามวันแล้วมันก็เสื่อมต่อหน้าต่อตาเราอันนี้พอถึงขั้นนี้แล้วควรจะเสื่อมเอาเสื่อมก็เสื่อมไปปล่อยแต่ผู้โทรไม่ปล่อยแล้วสุดท้ายมันก็ไม่เสื่อมไม่เสื่อมค่อนหนาแน่มันคงหนาแน่มันคง ไ, ไปจงกระทั่งจิตใจเป็นหลักขึ้นมาเปา็นธรรมทิขึ้นมาแนว่วแ น, วแนว่ขึ้นมาจึงได้รู้จิตตัววอ๋อที่เราจิตมันจเจริญแล้วเสือเเส่อมเจริญเสื่อมพราขาดคําบริกรรมนี่แหละว่ะ สติอาจเถอไปตรงนี้ก็ได้นีเวลาสติกับจิติกันกับคําบริกรรมตลัดเวลาแล้วมันไม่เห็นเสื่อมมีนานนั่นแหะถึงไน้เอามาพูดเนื้อหมู่เพืนฟังเราทํามาแล้วทุกอย่างนะจนกระทั่งจิตตั้งราาตั้งฐานจิตเป็นสมาธิเด่นแน่วนั้นเอาที่นี่บริกรรมก็ได้คือความจุดของคูารู้นี้เด่นสติจับอยู่กับจุดที่ความรู้ที่เด่นเด่นนั้นแทนคําบริกรรมนั่นน่นตั้งได้ทุกคนถ้าหากว่าจะทําอย่างนี้นะไอเราเลา ะ, ะแหล ะ, หละเพอ ไผ่ไผ่นั่นที่ใช่ไม่ได้นะ่ะให้เอาริงเอาจังทุกอย่างนี่ได้ทามาแล้วนำมาสอนหมู่เพื่อนสอนแบบที่แน่ใจทุกอย่างพากันตั้งใจปฏิบัติพระเราบวชมาไม่มีสมาธิสมบัติศีลและสมบัตินี้ก็ให้มีเต็มตัวอยู่แล้วรู้จักทุกคนเรารักษาศีลของเราด้วยความเป็นผู้มีหิริโอตปะแล้วศีลเราก็เต็มตัวของเราแล้วสมาธิคือความสงบใจเอาให้ได้ คำภาวนาเช่น <c oughs> คำบริกรรมนี่สําคัญมากนะอย่าลืมนะไปในให้ติดจนกระทั่งเมื่อเวลาคำบริกรรมนานเขานานเข้านี่มันเป็นหล่อเลี้ยงจิตจิตก็ได้ตัวเป็นจุดผู้รู้เด่นขึ้นมาเด่นขึ้นมาต่อจากนั้นก็มีฐานขึ้นมาเป็นสมาธิแล้ที่นี้อนนนพอเป็นสมาธิแล้วความรู้นี่จะเด่นสติคํา ค, คำว่าบริกรรมนิกรรมมันค่อยหมดความหมายไปเองนะ มันไปเด่นอยู่กับจุดผู้รู้มันก็จับผู้รู้นั้นด้วยการตั้งสติอยู่กับนั่นตลอดไปเลยนั่นนี่เราวิธีการดาเพลินให้ทำอย่างนั้นนะนี่ได้ทำมาแล้วนะที่สอนเหล่านี้ทำมาแล้วทั้งนั้นทั้งนั้นจงกระทั่งก้าวเข้าสู่ปัญญาเป็นสมาธิเ ต, ต็มเหนี่ยวก็เป็นแล้วเหมือนน้ำเต็มแก้วที่ว่า น, ะนี่ออกทางด้านปัญญาก็เห็นประจักษ์ประจักษ์ประจักษ์ฟาจนกระทั่งิเล็ดขาดชาวบ้านองจากหวัวใจ หายสงสัยไม่มีอะไรเหลือแล้วในสามเดือนโลกาธาตุนิจิตครอบโลกาธาตุสว่างจ้าหมดเลยโถจิตทําไมถึงเป็นอย่างขนาดนี้นะอตื่นเต้นตัวเองนะมันเป็นในขันของมันเองนะขันเนี่ยตื่นเต้นตัวเองน้ําตาลคลากคลาคคลาคเลยเถอะด้วยความอาศจรนท์ธรรมของพระพุทธเจ้าอาศจัรยร์พระพุทธเจ้าว่าตัดรูปขึ้นมาได้อย่างไงไม่มีใครบอกใครสอนเราท่านสอนแทบเป็นแทบตายถึงได้มารู้อย่างนี้แล้วก็อาศจรนท์ในธรรม น้ำตานี่โอ้ยไม่ต้องบอกนะออกเองออกเองออกเองภาพภาพดูโลกกระชาเ น, นี่ยแหมอ่อนใจนะเวลาจิดนี่เนถึงขั้นถึงขั้นที่มาเอาพูดให้มันเต็มแล้วคือขั้นหลุดพน้นไปโดยประการทั้งปวงแล้วจึงมามองดูวัวตจักรที่เราเคยเคยเป็นเคยเกิดเค ย, เค ย, เคย ต, ตายทั้งสัตวโลกเคยเกิดเค ย, เคย ต, ตาย้มันมองดูแล้วมันดูไม่ได้เลยนะโอทั้งทั้งที่เราเคยเกิดเคย dai, aper, ตายมากับนี้มันก็เกิดตายมาได้มันไม่เห็น ตื่นเต้นไม่เห็นตกใจไม่เห็นกลัวไม่เห็นเค็ดหลาบเลยแต่พอเวลามันพ้นขึ้นมาแล้วมันถึงดูไม่ได้นําฟังที่นะ่ะเป็นยังไงทําประเภทนั้นกับถังขยะกับนรกอเวกีของมนุษย์ของสัตว์ทั้งเป็นเนี่ยมันทำไมถึงว่าดีว่าดีอยู่อะไรก็ดีอะไรก็ดีถ้าเรื่องกิเลสหลอกลวงแล้วดีทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นโลกถึงได้จมอยู่ในนรกทั้งเป็นนี่ก็มีนรกเมืองผีก็มีเป็นไปได้ทั้งนั้ น, นโลกที่ถูกกิเลสกล่อมแล้วมันไม่รู้จักไม่รู้จักกลัวนะ ไม่รู้จักเป็นจักตายบืนตามที่เลดจมนรกก้อนลงมันไปลงไปแล้วสายใช้แล้วเอาพอฟื้นจากนรกขึ้นมาตักตรงนรกกี่ขับเี่กันก็ตามนะพอพ้นจากโลกขึ้นมาแล้วกิเลดปิดอีกพอหนึ่งว่าไม่เคยตกนรกแล้วนี่หน้าซ้ํายังว่าเกิดชาติเดียวงันวเกิดชาติเดียวจะทําไมก็ทําเอากิเลดหลอกอีกทําอีกนั่นเป็นอย่างนั้นนะทีนี้พอมันดีดถึ่งขึ้นมายแล้วมันมองดูแล้วโธสรุปต่างเวศ พั oh, ใจในการที่จะสั่งสอนจักโลกสอนไปได้ยังไงขนาดนี้แล้วขนาดนี้แล้วนั่นพิจารณาสิมันเห็นซะหมดจริงๆมันจ้า่ในหัวใจอันนี้แต่มันไม่ใช่วิสัยที่จะนํามาพูดมาพูดได้อย่างไงมันมีแต่พูดได้แต่เพียงแล้วมันจ้าครอบโลกธาตุจะว่างไงมันเห็นหมดเพราะกิจนี้ไม่มีขอบเขตแล้วกิตเลยสมมุติแล้วมันเห็นไม่ได้หมดน ะ, ะถ้ามันอยู่ในขอบขอบของสมบูรณกิเลสยังครอบหัวมันอยู่มันก็เป็นกรอบ เพื่อบังคับบัญชาจิตใจให้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ตลอดทั่วถึงไม่เป็นอิสระได้ที่นี้พราะกิเลสขาดสะบ้านจากใจแล้วมันเป็นอิสระเต็มตัวเมืองว้างไปหมดเลยคำว่ามาเมืองว้างนี่มันก็เป็นหยาบๆยู่นะเอาข้าไม่พูดอย่างนั้นก็ไม่ทราบเออะไรมาพูดในแดนสมมตูติก็ต้องมาพูดให้ฟังนี่หละการปฏิบัติตัวเองทำ ม, มามีอยู่ในหัวใจนี่แหละกิเลสปิดไว้ไม่เห็นเหมือนน้ําเต็มสระนั่นแหละ แต่ถูกจองแนบปกคุมไม่หมดมองเห็นแต่เจ้าแต่แหน่แต่แน่แน้นาในบึงในบอ่อไม่เห็นเลยจะว่าไงทั้งๆที่มันเต็มอยู่ในาสาในบึงนี่กับกิเลสเต็มหัวทำทำเต็มหัวใจแต่กิเลสปิดไว้หมดไม่ให้เห็นธทรมัน ก, ก็เลยว่าทําไม่มีมรรคผลนิพพานไม่มีเอ้าไปอีกแล้วไปใหญ่ดูนะแต่พระกัจจายงตั้งหน้าต่างต า, ตาปฏิบัติตัวเองนะผมก็สงสารคือทำยังไงยิ่งเฒ่ายิ่งแก่แล้วเนี่ยนะ อายุก็แปดทิศเจ็ดจะเต็มแล้วนี่เวลานี้อุตส่าห์พยายามตระเตตระกายทั้งช่วยลูกสงสารทั้งช่วยพระช่วยเนรไม่ทราบจะหมุนตัวไปทางไหนบ้างอันนี้มันมันถึงกาเวลาแล้วยังไงมันก็เป็นไปไปม่ได้นะเวลานี้ท่าขันอ่อนลงอ่อนลงแทนที่จะมามิตกวิจารณ์กับท่าขันเรื่องความเป็นความตายตัวเองไม่มีแม่ไม่ถิ่ไม่ตายนะคือมันพอจะตุก อ, อย่างไม่ทราบจะเอาไดมาหิวเอ มันพอทุกอย่างแล้วขันนี่ก็ร่วมเป็นเครื่องมือเต็มยศก็เหมืนแล้วใช่ไปใช้ไปพอใช้ไม่ได้เหลือดิบที่เดียวผึ่งเลยธรรมชาติที่ที่รู้ที่เป็นแล้วนั้นมันนอกสมมุตินี่ไปแล้วอยู่ในขันมันก็นอกนอกสมมุติไปหมดแล้วเดีย๋ยวจะมาตื่นหาอะไรอีกละ่ะนั่นนี่เราจึงสอนหมู่เพื่อนใครใคก็ตามสอนได้อย่างอาดหารชานใจเต็มหัวใจที่มีทำเป็นดวงในหัวใจนี่แล้วจึงไม่มีมคําว่าอัดอั้นแต่ใจในการแนะนำสั่งสอน ถ้าควรจริงใครจะได้ควรจะได้รับประโยชน์ยังจะออกมากกว่านี้อีกทำเนะทียงเท่านี้ก่อนนะเขาก็ว่าพอแล้วนะถ้ า, าเหนือนี่อีกออกอีกเพราะทำยังเหนือนี่ตลอดไปเลยเพราะเรียกว่าโลกุตรธรรมเหนือตลอดเวลา <c oughs> ไม่มีเขตมีแดนครอบโลกธาตุไปหมดเลยนะลนะการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรเกิดเวลานะขอยู่เทียงตอนนี้อ้เดกปจจุบ เ, เหนื่อย นาฬิกาเท่าไรละนุ่งกี่ห้านาทีเทศโอ้โอเทศเดืชนชั่วโมง1 5่ห้ากี่หนานั่นทุ่ม15ห้านาทีมาเริ่มเทสที่ามพิสองสสนาทีอ๋อ